วันนี้เป็นวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2559วันเข้าพรรษาเป็นวันที่20วันอาสาฬหบูชาวันที่19วันที่20เข้าพรรษาวันนี้วันที่24เข้าพรรษามาได้ 3-4 วันน่ะลูกหลานใครจะตั้งสัจจะอธิษฐานในใจก็ อย่างไม่สายข้าเพาเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดข้าเพาเจ้าจะงดสุราข้าเพาเจ้าจะงดบุหรี่ข้าเพาเจ้าจะนั่งภาวนาอย่างน้อยวันละสิบนาทีหรือสี่สิบนาทีหนึ่งชั่วโมงก็ได้ทั้งนั้นแหละใครจะตั้งจิตอธิษฐานก็ได้ในช่วงนี้นะ ก็เข้าภรษาใหม่ๆอยู่แต่ผู้ที่ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่แหกขาดแต่พอไหว้ผ้าไปเอ้ยขื่อีิขาดไปนอนก่ออวันพวกนี้เอาใหม่เบิเ่นสองวันไปอย่าให้มันขาดนะทำวัดสองครั้งก็ยังได้เป็นไรไปทำไมมันขาดวะ เอาทดแทนเมื่อวา น, นที่มันขาดนะนี่ยแหะอันไหนที่มันขาดเราต้องทดแทนอย่าให้มันเลยไปถ้าเลยไปไปว่าเราไม่ใส่ใจขาดสัจจนะคือขาดโกหกตัวเองไปเรื่อยๆไม่ดีนะโกหกวนันนี้โกหกวันหน้าโกหกไปเรื่อยๆไม่ดีเพราะนั้นมันหลงลืมตั้งใจใหม่เอาใหม่นะแล้วเมื่อวาน หลวงพ่อได้พูดตอนเช้าที่จะรักษาป่าหลวงพ่อพูดเมื่อเช้าวานเข้มข้นสักหน่อยนะเพราะว่าหลวงพ่อปราบป่าภัยลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นที่ว่างมากหลวงพอ่อก็เลยปีนี้ต้องใส่ใจสักหน่อยทุกคนอะพระลูกหลานทุกองค์ให้ใส่ใจตลอดถึงจัดศรัทธาญาติโยมเนี่ยหลวงพ่อ อยากจะให้ปลูกป่าสามปีเนี่ยนะ น, ะ น, ะนะปีนี้ไปถึงสามปีถ้าหลวงพ่อไม่ตายนะถ้าหลวงพ่อตายไปไแล้วก็แล้วลสุดแท้แต่ลูกหลานจะทำาไงแต่หลวงพ่อยังไม่ตายเนี่ยหลวงพอ่อคงจะให้รักษาป่าเพราะวันเนื้อที่ที่ทเอากอไผ่ป่าไผ่ป่าลงเนี่ยประมาณสักเกือบ30สบไร่ะจะปลูกพวกประดูมักค่าไม้สัก ตะเขียนทองเนี่ยะเน้นสามไม้ใหญ่ๆให้ลงไปจากนั้นกับพวกไม้อย่างอื่นพวกต้นใจต้นตากบถ้ามีก็เอามาใส่ก็ได้เพื่อให้เป็นอาหารของนกอาหารของสัตว์น่าจะมีอีกเหมือนกันให้ปลูกเพื่อรักษาป่าหลวงพ่อนเน้นเรื่องให้รักษาป่าดูแลป่าปลูกไม้ปลูกต้นป่า ปลูกมันปลูกง่ายแต่รักษารั ก, รกษายากปลูกในวันเมื่อวานเนี่ยเป็นพันๆต้นเมื่อวา น, นแต่รักษาในทั้งสปีนะ น, นะจะรักษาไม้ให้ใหญ่แต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราต้องใส่ใจช่วยๆกันนะั่นแหะศรัทธาญาติโยมด้วยครูบาด้วยจะมอบให้คนใดคนหนึ่งรักษาไม่ไหวแน่แน่เห็นไหมใครๆก็ชอบเวลานั่ง ไม้นอนกับไมเ้เราได้ปลูกไหมไม้เหล่านี้ที่เรานั่งเราได้ปลูกไหมไม่รู้ว่าคนโบราณเขาปลูกปลูกไว้ก็อนไม่ทราบเหมือนกันเลอมันเกิดตามธรรมชาติของมันก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะนั้นเราเกิดมาเรารู้แล้วว่าไม้มีคุณค่ามีประโยชน์เราก็ควรจะปลูก แต่ไม้สักในวัดของหลวงพ่อที่หลวงพ่อปลูมเป็นแสนนะั้นนะเดี๋ยวนี้นะศรัทาาธาญาติโยมต้นขนาดทาต้นเสาได้ก็มีแต่งเยอะแยะไปหมดเลย เ, เพื่อเน่นะเพื่อรักษาป่าทําไว้เพื่อให้ต่อไปภายภาคหน้าถ้าหาว่ามันล้มมันตายแล้วก็ทามาเอามาใช้ซะแต่ยังไม่ตายกันนะเอาไว้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน เป็นป่ารงพงไยขึ้นมาถ้าหาว่าเราเห็นป่าแล้วก็อืมมันเดี๋ยวนี้มันปา่ามันหมดไปเรื่อยๆฉะ น, นั้นขอให้พวกเราหนะ่ยช่วยๆกันทางฝ่ายลูกหลานทุกคนนั่นะช่วยกันปลูกป่าปีนี้ให้รักษาปา่าแต่วัดของเราในดินดีนะปลูกปีหนึ่งสองสามปีเท่านั้นนะ รู้สึกว่าต้นเม็ดสองสาเม็ดขึ้นมาเลยแหละถ้าเรารักษาดีนะดินมันดีว่าท่านได้ช่วยๆกันเมื่อวานน่ยกระลุงพ่อเองไปปลูกช่วยลูกช่วยหลานเหมือนกันนะได้หลาย10ต้นเหมือนกันเมื่อวานนะปลูกไม้ไม้สักประดูประดูมักข่าแล้วก็ไม้อย่างอื่นผสมประสานกันด้วยเนหะ็นละการดูแลรักษาป่า แต่ถึงยังไงก็ตามหลานคณะสัทธา ญ, ญาติโยมทุกทุกคนนะเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์หลวงพ่อพูดอย่างนี้นก็ไม่น่าจะผิดนะลูกหลานนะเพราะเราดูในทุกวันนี้ข่าวต่างๆสื่อต่างๆที่ออกมาในโลกเนะี่มันมีมาก แต่เมืองไทยของเราถึงยังไงก็ตามพวกเรายังอยู่ด้วยความพร่มเย็นเป็นสุขถึงจะไม่มีเงินใช้เงินขาดมือบ้างแต่อาหารการบริโภคของเราก็ยังอุดมสมบูรณ์การอยู่การกินยังสมบูรณ์แล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยก็ยังสมบูรณ์นี่แหละอันนี้ก็คือเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยอยู่ ป, ปฏิรูปประเทศ ประเทศที่เหมาะสมก็ น, นับว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญจะมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆคนในมาเกิดที่ดีแล้วนะ เ, เพราะอะไรเพราะบุญเก่ า, าบุญเก่าพามาเกิดในเมื่อบุญเก่าพามาเกิดพวกเราก็ควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสร้างบุญต่อนะลูกหลานนะถ้ากินแต่บุญเก่ามันบุญเก่ามันหมดนะ พอมบุญเก่าหมดออกจากพบนี้ชาตินี้ไปแล้วอาจจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้อะไรตันี้เพราะมันบุญหมดถ้าเราไม่ได้สร้างบุญบ้านสร้างไม่ได้บุญสร้างไม่ได้ไม่ได้สร้างบุญต่อเอาไว้นีเพราะฉะนั้นเราพวกเราควรจะสร้างบุญต่อต่อบุญต่อกุศลประกอบคุณงามความดีในมาเกิดนาที่นี่แล้วสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าไปทํา คิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีทำให้ชุมชนเดือดร้อนเหมือนกับตัวเองเบื่อหน่ายเกิดมาในพื้นแผ่นดินไ ท, ไทยทั้งที่เกิดมาแล้วเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์พอตัวเองทำอย่างนั้นเหมือนกับตัวเองเบื่อหน่ายประชดประชันลักษณะอย่างนั้นไม่ไม่อยากจะมาเกิดอีกแล้วในพื้นแผ่นดินไทย เ, เหมือนกับลักษณะอย่างนั้นถ้าตัวเองทาไม่ดีนะ พอประชดประชันขึ้นมาตัวเองก็นั่นออกจากจากร่างออกจากวิญญาณออกจากประเทศไทยออกจากที่นี่ตายไปแล้วนั่นเพอเพอจะไปเกิดโน้นแล้วแต่ไอนกรรมจะพาไปเกิดแถวอประเทศไหนที่หัวโตโตท้องใหญ่หญหญขๆขาเรียบๆตัวดำๆถ้าไปเกิดอย่างนั้นคือมาไป็มดสภาพแล้วเนียิ่งยิ่งร้ายกว่าเก่าอีกเนะพราะตัวเองทําไม่ดี เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะลูกหลานทุกคนได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณคุณธรรมแล้วก็ได้พบพี่น้องประชาชนคนในชาติถึงจะยังไงก็ยังเป็นคนดียังปรับปรุงแก้ไขกันเพราะนั้นผู้ที่ไม่ดีก็มีอยู่แต่ถึงยังไงก็ตามผู้ไม่ดีก็ขอให้ปรับปรุงแก้ไขให้ดี คือกฎระเบียบบอกของบ้านของเมือ ง, องเหมือนกันที่ตั้งขึ้นมาตั้งกฎระเบียบไม่ไม่ว่ากลุ่มชุมชนกลุ่มไหนก็ก็ต้องมีกฎระเบียบแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเนะี่ยความเป็นมาของพระพุทธศาสนานะเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคําสอนปัญจวัคคีทั้ง5ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์จากนั้นเ่าก็ไปโปรดปกครองสามพี่น้อง 1 3 0สกมร อ, กองก์องแล้วก็ไปโปรที่อื่นอื่นอีกออกบวชต่างเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเข้ามาเนี่ยเมื่อพระมากขึ้นมาแล้ว อ, องค์บางองค์ก็เจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างการกระทำความผิดพระสุทินท่านสุทินองคแรกองคแรกที่กระทำความผิดในพุทธศาสนาคือสิกขาบทข้อที่หนึ่งโทษหนัก แต่ท่านก็ไม่ได้เจตนานะแต่ท่านทาโดยที่ว่าไม่รู้ท่านออกบวชท่านไม่รู้เขาขอร้องท่านก็ทำไปพอเมื่อทำคุไปแล้วเป็นเพนความผิดเป็นความผิดอย่างร้อยแรงทั้งเทวดาก็เห็นประกาศึ้นไปโอ้พุทธศาสนาเป็นมลทินเจแล้วนะผุ่มเทวดาที่เห็นเหตุการณ์ ประกาศเสียงดังกล้องไปหมด ừ, เสียงเสียงเสียงเทวดาจากนั้นขึ้นไปถึงเทวดาอากาศธาตุเทวดาจากนั้นขึ้นไปถึงสันจาตุมเตะวะติงยามาเนมมาติสวรรค์6กชั้นประกาศกันเป็นลั่นขึ้นไปหมดจนถึงผ่มโลกอวอาพุทธศาสนามีมนทินพระกระทาความผิด ในพุทธศาสนาจากนั้นพระสงฆ์ก็กราบทูลพระสงฆ์ก็ทราบเออก็กราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกมาแล้วก็ถามไถ่แต่เออท่านท่านไม่รู้นะท่านไม่มีเจตนาไม่ผิดนะท่านไม่ผิดนะแต่องต่อไปองค์ใดทำอย่างนี้ผิดนะเออก็ตั้งกฎกติกาภิกษุใดก็าตามทําอย่างนี้ต้องอาบัตอย่างนี้ ต้องอาบทปาาชิกข้อที่หนึ่งพระธรรมในครั้งพุทธการพอมันทาผิดขึ้นมาแล้วก็มีกฎกติกาจากนั้นก็บัญญัติวินัยเรื่อ ย, เ ร, อ ย, เ, รอยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนืงจนถึง227มันมีที่ไปที่มาทั้งหมดในพระไตรปิฎก อ, อย่างภิกษุในครั้งพุทธการพาภิกษุสมองค์ส4 5สี่ห้สสี่ห้าหอง ไปอาบน้ําไปอาบน้ําในฝั่งแม่น้ำไอเจรวดีหน่อยพอไปนั่งแล้วก็นั่งคุยกันก่อนอาบน้ําองค์หนึ่งก็ขุยขึ้นมาใช่ผมนี่สามารถดีดลูกกวดนะดีดลูกกวดเนี่ยเอาให้แม่นขนาดไหนก็ได้เห็นไหมหงกําลังปินมาน่ยหงกําลังปินผ่านม า, ากําลังผ่านมานั่นอะหงกําลังหมูนี้หมุนปินผ่านมาเนี่ยผมจะดีดให้ อใส่ตัวหงส์ตกเลยก็ได้นะไอ้สามองค์สามสี่องค์เนาะเฮ้ ย, ยขี่คุยเฮ้ยเฮ้ยไม่คุยแล้วเอาแน่แน่เอาได้จริงๆเอาโดนทดลองด้วยไอันนี้ก็บอกว่าพระองค์นั้นก็บอกว่าจะให้ผมยิงใส่ลูกกระตาข้างไหนเอาข้างขวาก็แล้วกันเนีพระนี่พูดพู ด, พ, ดพูดใส่กันฮะองค์นี้นนก็พอนกของมาบินขึ้นมาจับลูกกวดเข้ามาขนาดรูปหมอบเอ๋อ ก้อนหินเนี่ยก้อนหินลูกดังแบบลูกยางสเต็กนะ่ะแล้วอย่งนั้นแนหะพอพอหงมาบินผ่านได้จะว่าตบมือเลยว่ะตบมื อ, พอเพ้อเหงมันก็เอียงเอียงหัวลงมาเลยเหัวลงมาก็ดีดลูกกวดขึ้นไปปั๊บถูกลูกกระตาทั้งขวาจริงๆเลเลูกหงหันเลีวลี่ลงมาจากท้องฟ้าเลยตกบ่ ลงมาในกลางกลางหาดทรายพระสงฆ์ทางหลายที่เห็นเหตุการณ์โอ้โหทำไมหงมันบินบินอยู่ในอากาศทำไมคึกคึกขนองอทำไมไปหาดีดพระภิกษุทำไมไรเมตตาขนาดนี้ไม่มีเมตตาขนาดนี้ทำไมจึงกล้าฆ่าหงได้ทั้งที่ตัวเองก็รู้วัดดีดเข้าไปนะั้นหงมันจะต้องตาย ดีเสียงหัวหงทําไมพระจึงไม่มีเมตตาไร้เมตตาขนาดนี้นะจากนั้นพระสงฆ์ทลายก็นําคํานั้นไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกตัวมาเธอทําจริงไหมจริงพระพุทธเจ้ากัพระองค์บอกเนี่ยโมฆะโมฆะพิสุโมฆะบุรุษทําไมเธอจึงกล้าทําถึงขนาดนั้นชีวิตของเข า, เาทําไมไปหากล้าดิด ลูกตรวจใส่หัวโหวงก็รู้อยู่แล้วว่าเธอตีดเข้าไปแล้วมันจะตายทำไมจึงแกล้งทํ า, ถ, าถึงขนาดนั้นตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามแกล้งฆ่าสัตว์ทิ ร, รชานตั้งแต่มดปวกมแมลงสัตว์ทุกชนิดต้องปาจิตตีขาดศีนไปข้อหนึ่งในศีลสินเ2็ข้อนันนะบัญญัติผิดศีลเพิ่มข้อหนึ่ง นี่แหละอันนีค้คือการบัญญัติสินในครั้งพุทธกาลมีเหตุซะก่อนเขาจึงบัญญัติท่านพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศิกขาบทปกครองสงเ์เป็นข้อเป็นข้อถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกหรือว่าศึกษาในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะเราจะรู้ได้วิทย์ในของพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลมีความเป็นมาเป็นไปทั้งหมด ทุกสิขาบทนี่แหละอันนี้คือถ้าจะมาพูดในเมืองไทยของเราก็เช่นเดียวกันนะั่นนะมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะเราอยู่ด้วยกันคนในพื้นแผ่นดินไทยอยู่ในมีอยู่ดอยู่ด้วยกันมันมีอะไรที่มันมีปัญหาทําให้ประชาชนเดือดร้อนทําให้กลุ่มชุมชนเดือดร้อนอย่างนี้เขาก็บัญญัติเขาก็ต่างคนก็ต่างหาเรื่องราวมาแล้วก็ เข้ามาประชุมกันบัญญัติเป็นกฎหมายขึ้นมาถ้าในครั้งพุทธเจ้าน่ยคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวใช่ไหมถ้าองค์ไหนกระทำความผิดพระสงฆ์ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์ก่อนนะเรียกประชุมสงฆ์ก่อนยังค่อยปรับอวบัติถ้าว่าถ้าว่าเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองเด็เลยภิกษุไปขโมยไม้ไปขโมยไม้ไปเจ้าพิมพ์พิสารขโมยขโมยไม้ในคลัง ครั้งที่เขาจะซ่อมเมืองนะี่ยหรืโลงโลงไม้นะ่ะพระองค์นั้นไปไปพูดกับนายนายที่เฝ้าคลังไม้นะ่ะพระเจ้าแผ่ดินอนุญาตให้อะไรล่ะให้อัตม า, าไปซ่อมกุติสร้างสลัดนายนั้นก็เห็นว่าพระมาข อ, อท่านอนุญาตหรือยังอนุญาตแล้วอนุญาตให้อัตมาแล้วอันหนพระองค์นั้นเอาไป นายครั้งนี้นก็มอบให้พอวันหนึ่งพระเจ้าพิมพ์พิสารเนี่ยท่านจะส่อมเพียงวังอ่ะท่านก็เลยพาลูกน้องบริวารแสดงว่าพระเจ้าประเด็นกับขยันอยู่นะขนาดไปดูไปดูไม้ในโรงไม้ทีเดียวเลยเอพอไปไปเห็นไม้พ่องจากโรงไม้ตังเยอะแยะไปเอา้าไม้ทําไมเป็นพ่องถึงขนาดนี้วะเนี่ยในครั้งใน เ, เรียกในพวกผู้ผ เฝ้าคลังตุกคลังไม้มามาโรงไม้มาทําไมไม้จึงพ่องขนาดนี้พระภิกษุในพุทธศาสนามาเอาไปครับผมฮะทาไมจึงให้ไปท่านบอกว่าท่านได้รับพราะพรมราชาอนุญาตพระองค์อนุญาตให้พระองค์ให้ท่านแล้วท่านจึงมาเอาไปฮะเอ๊เราพูดเมื่อไหร่วาเราไม่เราก็จําไม่ได้เหมือนกันนะภาระธุระของเรามาก เยอเกินแต่เราอนุอาจได้อนุญาตแล้วก็ได้เอาเถอะไปนิมนต์พระองค์นั้นมานิมนต์พระคุณท่านมาเราจะได้ถามดูเราอนุญาตเมื่ อ, อไหร่วะเราระลึกไม่ได้เนะวะเขาก็นิมนต์พระองค์นั้นมาพอมาถึงท่านพระเจ้าพิมพิสานก็ถามว่าพระคุณท่านได้เอาไม้จากโรมไม้ไปไหมเนี่ย พระนั้นก็บอกอาตมาได้เอาไปอยู่แล้วท่านเอาไปได้ยังไงท่านได้เอาไปยังไงใครเป็นอนุเป็นผู้อนุญาตให้ท่านมหาบพิษเนเป็นผู้อนุญาตเอ้โยมมีพระมาก อ, อนุญาตเมื่อไหร่โยมวัรละลึกไม่ได้เหมือนกันนะโยมอนุญาตเมื่อไหร่ที่ให้ท่านเอาไม้ไปพาออกนั้นขนาดไหนแบบ ใช้แบบกุสโรบายเมื่อพระองคองราชเมื่อพระองคองราชเมื่อวันพระองคองราชวันนั้นได้ประกาศให้แก่พระชกที่กรพี่น้องไฟภาพไฟภาพประชาชนว่าดินก็ดีน้ำก็ดีต้นไม้ก็ดีแร่ธาตุในแผ่นดินข้าพเจ้าจะแบ่งปันให้กับสมณะผู้ทรงศีล ในพื้นแผ่นดินของเราได้ใช้ร่วมกันเพราะนั้นอาตมาพระองค์ประกาศในวันนั้นแล้วอาตมาก็คิดว่าอาตมาก็เลยพระองค์อนุญาตแล้วว่าให้เอาไม้เอาไม้ไปใช้บวพระเจ้าแผ่นดินก็เลยบอกว่าพระเจ้าพิมพิสานว่าเออท่านพูดอย่างนั้นได้ยังไงผมบอกเห็นไหมผมบอกสัมมณะผู้ทรงศีล แต่แสดงว่าท่านไม่มีศินขโมยมาขโมยนะมาขโมยไม้ของผมผมประกาศวันนักับส ม, มณผูทรงสิท์อันนี้ท่านนะดูดูแลท่านเป็นผู้ไม่มีสินมาขโมยเอาไม้ไปต่อไปนะี่อย่าทำอีกนะถ้าทําออกไปนะโทษหนักนะตามกบิกระบินบ้านกระบินเมืองนะท่านนะจากนั้นท่านก็คงไม่ได้ใส่ ปรับไหมใส่โทษอะไรปล่อยไปพอปล่อยไปแล้วทีนี้พระองนั่นก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็ทราบข่าวว่าพระเจ้าพิมพิสารออบอกกับพระองค์นั้นพระสงฆ์ก็กลับไปทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เรียกประชุมสงฆ์พอเรียกประชุมสงฆ์เสร็จแล้วพระองค์ก็เอาตุลาการสารเก่าที่เป็นพิพากษาอายการ ประธานสารลักษณะอย่างนั้นที่บวชในพระพุษษทธศาสนาที่เกิดเคารพนับถือเรื่อมใสและบวชพระองค์เรียกมาเรียกพระเหล่านั้นแหละที่คงแก่เรียนทั้งหลายเนี่ยมาก็ถามว่านี่นะถ้าว่าคนทำผิดเนี่ยคนทาอย่างนี้แหะทาผิดอย่างนี้แหละมันโทษโทษถึงขั้นไหนตุลาตุลาการสารเหล่านั้นที่เป็นอดีตที่มาบวช ถ้าว่าโทษประหารเนี่ยคือพลคนผู้ใดก็ตามขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยราคาเพียงห้ามาสุกโทษประหารพระพุทธองค์ก็อืเอาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบัญญัติวินัยอะไรไ้วี้สุใดก็ตามขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ โดยราคาเพียง5มาสกตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปโทษประหารคือปาาชิกนะนี่แหละโทษปาาชิกถ้าจะว่าไปแล้วท่านก็อ้างอิงถึงกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกันนะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยนะไม่ใช่ว่าท่านจะคิดได้คิดบัญญัติไม่ใช่เพราะนั้นโทษประหารนี่แหละสรุปแล้วก็คือที่หลวงพ่อชีป้ประเด็นให้ดูนะก็คือ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบัญญัติวินัยต้องมีเรื่องสก่อณ์แล้วจึงบัญญัติตามเรื่องราว น, นั้นนัน้นี่แหละทางว่าเป็นธรรมนะพระพุทธเจ้าบัญญัติตั้งแต่2559ปีเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ก็ยังนํามาประพฤติปฏิบัติก็ยังสวดปฏิโมกข์ทุกกลึ่งเดือนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะสวดทุกกลึ่งเดือนนะสิทุกสิวันเดียววันลงอุโบสถลงโบสถนะ์นั่นคือสวดนี่แหละ เป็นภาษาบาลาีแต่แปลเป็นภาษาไทยเขามีแปลเป็นภาษาไทยแต่ถึงไงก็สินสองีนี่แหละอันนี้คือผู้บัญญัติโดยธรรมผู้คิดดีซะก่อนบัญญัติโดยธรรมแล้วก็ทรรมวินัยของพระเจ้าคุณยั่งยืนมาถึง2559ปีนี่แหละตามจริงกฎหมายรัฐธรร ม, มนูญที่จะออกมาเนี่ยล้มพ่อก็คิดว่า ถ้าหาว่าผู้ที่แต่งตั้งกฎหมายก็ให้ตั้งโดยทำรรคิดให้ทำให้ดีแต่หลวงพ่อว่าเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุซะก่อนเขาจึงบัญญัติกฎหมายออกมาแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็ให้ฟังเหมือนกันนะให้ปฏิบัติตามสรุปแล้วก็คือให้ปกครองปกครองประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่โดยธรรมนั่นแหละให้เจตนาดีด้วยกันถ้ามีเจตนาดีด้วยกันหลวงพ่อว่าน เหมือนกับพระพุทธเจ้าในเจตนาดีต่อวงการคณะสงฆ์บัญญัติกฎกติกาเพื่อดูแลปกครองสงฆ์นี้ก็เหมือนกันผู้มีอํานาจก็ดูแลปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองแต่ทีอยังไงหลวงพ่อวานะที่เขาเน้นที่สุดก็คือเรื่องคอรับชันหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะเรื่องคอรับชันเพราะเหตุไรพ่อวามันเกี่ยงคอรับชันมันเข้ากระดูกดําของเมืองไทยของพอแรง ถ้าว่าถอยๆสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะอจะได้พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่อยู่ในระดับไหนก่อนนั้นอคดกงประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อทั้งที่เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยกันน่าจะแบ่งๆกันนะหลวงพ่อว่านะเพราะพวกเราถ้าจะว่าไปนพวกเราก็รู้แก่ใจว่าผิดหรือถูกควรไม่ควรเอ หลวงพ่อว่านะพอเราพวกเราได้รับการศึกษาดีด้วยกันทุกคนแล้วอันไหนควรถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นธรรมไม่เป็นดธรรม เ, เหมาะสมไม่เหมาะสมทางว่าพวกเราไม่มีโลภโหโมกะโมโกะล ะ, โมโละไม่มีกิเลสโลภโกรดหลงในจิตใจจนมากจนเกินไปนะหลวงพ่อว่าน่าจะรู้จักว่าอันไหนควรไม่ควรนะเพราะว่าพวกเราต้องใช้ คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นเครื่องวัดจิตวัดใจของพวกเราทุกคนนะเพราะเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยถือว่าพวกเราเป็นพี่พน้องๆกันเป็นญาติโกโหติกากันมีอะไรก็แบ่งแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ให้รักกันเอาไว้ในพื้นแผ่นดินไทยไม่ใช่ว่าเราเกิดขึ้นมาแล้ว ใครมีสติไม่มีปัญญามีอำนาจฟาถนาก่อโกงโคตโกงกินจนถึงพวกแตศีตาศาตมีตมาพวกอยากจนพวกทุกข์อยากๆพวกโง่เง่าเต่าตุนไม่มีโอกาสอยากน้อยก็แบ่งเผื่อทำมาค้าขายเข้ า, ข า, าแล้วก็แบ่งกันอยู่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่ถึงร้อยปีละต่างคนต่า ง, ง, งตายละ จะโลภโหโมกนะไปเพื่ออะไรมากมายนักหนาแบบมีอะไรก่อนทับเก็บไว้กับเก็บไว้เพื่ออะไรก็ต้องมีความหมายในการเก็บเพื่อรักษาจุดนั้นจุดนี้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อวงตระกูลเมื่อได้มากเลยเออเอาควรจะแบ่งให้กับประเทศชาติส่วนไหนที่ขาดตกปกพ่องในประเทศชาติบ้านเมืองตัวเองมีปัญญาเรามีปัญญามากกว่าเขา เราก็แบ่งๆให้คนที่ด้อยปัญญาเพื่อเฉลือเผื่อแพร่กันนะนะตรงพ่อว่าถ้าพวกเรามีน้ําใจมีการให้มีน้ําจิตน้ําใจต่อกันมีการเสียสละต่อกันโลกทั้งโลกก็ลมเย็นเป็นจุกนะลูกหลานนะฐานะฐ า, านะคํำนี้น่ะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้นะฐานะคือการแบ่งสรรปันส่วนเสียสละให้กับบุคคลที่ด้อยกว่าอนะ่ ให้ทําเป็นทานเกิขึ้นแนะนําให้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้ทําเป็นทานทานะคือให้ใหปัจจัยสีเข้าน้ําโภชนาะอาหารวิทยาทานก็คือให้ความรู้ความฉลาดใ ห, ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายอภัยทานถ้าเขาใครมากัําเกินเราไม่หนักหนาจนเกินไปแล้วก็ให้อภัยเขา น, นี่เออภัยทานเนี่ยแหละทานฐานะมีหลายอย่างนะลูกหลานนะเพราะฉะนั้นพวกเราได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาทําตนให้เป็นคนดีเกิดมาให้ทําดีคิดดีทดําดีพูดดีอย่าประชดประชันชีวิตของตนเองถ้าตัวเองทําไม่ดีเหมือนประชดประชันชีวิตนะจากนั้นพอตายจากชาตินี้ไปนะั่นอาจจะไปเกิดประเทศที่นู่นที่ตัวเองเอ ไม่อยากจะมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเพรเกิดมาแล้วแบบทำตัวไม่ดีใช่ไหมละ่ะอต้องไปหาเกิดที่อื่นเเผลอๆไปหาเกิดท้องหมูท้องหมาท้องวัวท้องควายไปลเลยจะไอนมันเกิดได้ทั้งนั้นนะ ถ, ถ้าถ้าถ้าทำตัวไม่ดีนะลูกหลานนะเพราะนั้นในพวกเราทําดีนะคิดดีทําดีพูดดีอความดีนั่นแหะจะส่งให้พวกเราไปสู่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ เหมือนกับคนมาสร้างบุญสร้างกุศลกัเหมือนกับพวกเรามาประกอบคุณงามความดีกับหาเงินหาทองนะนะั่นแหละเมื่อได้เงินได้ทองแยกย้ายจากประเทศเอไปไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขสบายเพราะมีเงินหนี่ก็เหมือนกันนะั่นแหละเรามาสร้างบุญถ้าคนมีบุญแล้วไปอยู่ณนภะพใดชาติใดมีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุกคนมีบุญนะถ้าคนไม่มีบุญตกทุกข์ได้ยากนะ เหมือนกับคนไม่มีเงินถ้าคนไม่มีเงินไปที่ไหนก่อน น, ะน้อยหน้าต่ำตาเพราะเหตุอดเพราะคนไม่มีเงินถ้าคนมีเงินแล้วไปนักสถานที่ใดก็ดีแต่ว่าเงินนะั้นบุญนะไม่คดไม่ใช่คดโกงนะลูกหลานนะ เ, เป็นบุญีซื่อสัตว์สุดจริตยิงกว่าซื่อจริ่งกว่าตรงอีกอบุญกุศลนี่นะถาวรมันไม่เหมือนคดโกงเหมือนกับทรัพย์สมบัติอย่างอื่นทรัพย์สมบัติอย่างอื่นเงินคนะําน่ยยังมีคดมีโกงมีเบียดมีบงัง กันได้แต่บุญกุศลสนี่ซื่อตรงนั่งภาวนาก็เป็นของตนเองไหวพ้พระก็เป็นของตนเองบำเพ็ญคุณงามความดีรักษาศีลภาวนาปฏิบัติล้วนแล้วจะเป็นของซื่อตรงเข้าสู่จิตใจของเราทั้งนั้นเราเป็นคนสร้างเองทั้งหมดนะบาปก็เหมือนกันนะบาปก็าเราก็สร้างเองเหมือนกันนะั่นนะลูกหลานทั้งหลายประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะจะไปเอาเทาบาปนะบาปมันเป็นทุกข เป็นแหล่งความทุกเป็นบ่อแห่งความทุกดำเนินไปในทางที่ทุกบาปบุญไปในทางสุขจนผลทุกในวัฏสงสารบุญพาไปตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในชนิเนาะ